ก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้พูดสอนคนที่ไม่รู้เรื่องให้รู้เรื่องว่าศาสนาพูดสอนอะไรศาสนาพูดสอนเรื่องร่างกายกับจิตใจสอนว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวจิตใจนี้เป็นของที่ถาวรไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวนัว น, วนเจ็บเพียงแต่ว่าจิตใจนี้ ยังไม่มีความสุขเพราะไม่รู้จากวิธีทำตัวเองให้มีความสุขวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขก็คือต้องทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขาถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาใจก็จะไม่มีความอยากอยากได้หรืออยากเสียหรืออยากไม่ได้ถ้ามีความอยากก็ต้องมีร่างกาย ก็ต้องใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้เพื่อจะได้มีความสุขแต่สิ่งที่อยากได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็เสียใจแล้วก็ต้องไปหาใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็เหมือนกันก็จะต้องเสียใจเวลาที่มันหมดไป แล้วพอร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจคนเราจึงไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายกันเพราะเป็นเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขกันได้แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ถึงตอนนั้นก็ต้องทนทรมานไปจนกว่าจะตายไปแล้วพอตายไปก็ ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่เหมือนเดิมก็ต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เลียงดูร่างกายใหม่ให้เจริญเติบโตไปโรงเรียนไปอะไรใหม่ไปหาเงินหาทองไปหาอะไรใหม่หมดหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดเหมือนกัน ก็เวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรามาแก้ปัญหาที่ใจเรามาทำใจเราให้อิ่มให้พอถ้าใจเราอิ่มใจเราพอไม่มีความอยากได้แล้วใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเกิดไม่ดีเพราะเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดพากจากกันถ้าจะทำให้ใจสงบก็ต้องรู้จักจเจริญสติต้องคอยควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบความคิดเป็นตัวที่ทำให้ใจเกิดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเกิดจากความคิด พอคิดถึงร่างกายก็อยากไม่แก่ละอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาพอคิดถึงเงินทองก็อยากได้อยากได้ลาบยศเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าไม่คิดความอยากก็จะไม่เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีความอยากใจก็จะสงบใจก็จะอิ่มใจก็จะไม่หิวใจก็จะอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าคิดปั๊บ ก็เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงรูปก็อยากจะดูรูปคิดถึงภาพยนตร์ล่าสุดก็อยากจะดูคิดถึงเพลงล่าสุดก็อยากจะฟังคิดถึงอาหารเมื่อวานนี้อ่านอ่านเจอเขามีประกาศร้านอาหารดีเด่นของเอเชียก็อยากเดี๋ยวอยากจะไปลองกินนะร้านอาหารนี้เป็นยังไงดีไหมอันดับหนึ่งของเอเชีย พอไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรมันก็จะเกิดความอยากตามมาคิดถึงกระเป๋าคิดถึงรองเท้าคิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงเครื่องสำอางคิดถึงอะไรเดี๋ยวก็อยากได้กันพออยากแล้วถ้าไม่ได้ก็หงุดหงิดลำคานใจไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าไม่มีเงินก็จะต้องไปหาเงินมาไปซื้อให้ได้ถึงจะสบาย พอหาเงินมาได้ไปซื้อของที่อยากได้ก็สบายเดียวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นใหม่นะมีของใหม่ที่จะอยากได้อีกก็ต้องไปหาเงินอีกแล้วก็ไปซื้ออีกถ้าไม่มีเงินก็เดือดร้อนบางทีทนไม่ไหวก็อาจจะไปหลอกเงินเอาเงินของคนอื่นมาใช้ก่อนไปยืมเงินเขาหรือไปขโมยเงินเขาเพราะอยากจะได้ของที่เราอยากจะได้ เน <Yeah. S 2> ถ้าไม่ควบคุมความคิดมันก็จะควบคุมความอยากไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้เดี๋ยวก็อาจจะควบคุมการกระทําบาปไม่ได้ <Yeah. S 2> พอไปกระทําบาปแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ย <c oughs> yeah. ชีวิตของเราวุ่นวายกันตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักมาแก้ปัญหาที่ใจเรา <Yeah. S 2> ใจเราหิว <Yeah. S 2> ใจเราจะอิ่ม ม, ม, มันอิ่มด้วยการทําให้มันนิ่งให้มันสงบ yeah. ไม่ใช่อิ่มด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาให้มันหาเท่าไหร่มันแทนที่จะจะอิ่มมันกลับไม่อิ่มมันกลับไม่พอเคยได้ยินคำโบราณเขาพูดไหมได้คืบก็อยากจะได้สอบมีมีได้สอบก็อยากจะได้วามีหมื่นก็อยากจะได้แสนมีแสนก็อยากจะได้ล้านมีล้านก็อยากจะได้สิบล้านมันจะไม่พอ การที่จะให้ใจอิ่มมันกลับยิ่งหิวมากขึ้นการที่จะทําให้ใจอิ่มนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้ต้องนั่งสมาธิให้ได้ต้องทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วจะหยุดใจจะอิ่มใจจะไม่หิวใจจะไม่อยากได้อะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วถ้ารู้จักทําสมาธิก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆ ต่อไปก็จะสงบทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงนี่คือวิธีที่เราควรที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเรามันมาแก้ปัญหาที่ใจของเราที่มันไม่สงบทำให้มันสงบถ้ามันสงบแล้วความอยากต่างๆจะหายไปความโลภความโกรธต่างๆจะหายไปจะอยู่เฉยๆได้ จะไม่เดือดร้อนกับการมีหรือไม่มีมีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ตายร่างกายมีมากน้อยเท่าไหร่ถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่ใจไม่ตายไปกับร่างกายใจไม่เดือดร้อนไปกับร่างกายถ้าใจมีความสงบใจจะอยู่กับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายได้ ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินอดมือ้อกินมือ้อหรือไม่ได้กินหลายๆามือ้อก็อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าใจสงบแล้วไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายแต่ถ้าถ้าใจไม่สงบแล้วต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็เดือดร้อนมีร้อยล้านพันล้านก็ยังเดือดร้อนอยู่ ร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรในโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองใจได้ไม่สามารถมาคุ้มครองให้ใจไม่เดือดร้อนได้ใจจะต้องเดือดร้อนกับทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องนิดเดียวก็ยังเดือดร้อนใครพูดไม่ถูกใจคำเดียวก็ยังเดือดร้อนใจเป็นอย่างนี้ต้องมาแก้ที่ใจ มาทำให้มันไม่ให้เดือดร้อนกับอะไรทั้งหมดใจที่สงบใจที่เป็นอุเบกขาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนกับอะไรใจจะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาชมเราก็ไม่ดีใจรู้ว่าเขาด่าเราก็ไม่เสียใจหรู้ว่าเขาแกล้งเราเราก็ไม่เสียใจเฉยๆไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นเพราะใจไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอาศัยอะไร ถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วไม่ต้องมีอะไรมาทำให้ใจมีความสุขแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขาใจจะวิ่งหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขทันทีแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาแล้วเดี๋ยวจากไปก็เสียใจเฉนั้นให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราหามาเพื่อคุ้มครองรักษาใจเราให้ไม่วุ่นวายนี้คุ้มครองเราไม่ได้คุ้มครองได้ก็เดี๋ยวเดียวชั่วคราว เวลาใจวุ่นวายเพรออยากจะดูหนังก็ไปดูหนังก็หายวุ่นวายชั่วคราวเดี๋ยวพอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวความอยากดูหนังเรื่องใหม่ก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็วุ่นวายใหม่แล้วถ้าไม่ได้ดูก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งเสียใจใหญ่ยิ่งหงุดหงิดยิ่งลำคาญใจใหญ่วิธีแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจนะมาหยุดทําใจให้สงบให้นิ่ง แล้วปัญหาต่างๆจะหมดไปนี่ก็คือเรื่องของใจของเราที่พวกเราจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้จะมาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไปแก้ปัญหาของใจด้วยการไปหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มาเพราะคิดว่าได้มาแล้วจะสบายใจจะดีใจมันก็สบายใจมันดีใจแต่มันไม่ตลอดเท่านั้นเอง มันดีใจสบายใจเดี๋ยวเดียวเหมือนควันไฟเกยเห็นควันไหมควันมาปั๊บเดี๋ยวมันก็จางหายไปละได้อะไรมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียววันสองวันเดี๋ยวก็เบื่อละหรืออยากจะหาอยากจะได้สิ่งใหม่ละอยากจะทำอะไรใหม่ละแล้วพอไม่ได้ทำก็เสียใจหรือได้มาแล้วเดี๋ยวมันจากเราไปก็เสียใจอีกนั้นต่อให้หามาได้กี่เท่าไหร่ เรให้มีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านมันก็ยังมันก็ยังไม่สามารถมาคุ้มครองใจให้เราสบายได้ใจเราก็ยังจะต้องวุ่นวายอยู่นั่นไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเรื่องที่เงินทองนี่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเรื่องของร่างกายนี่ไม่มีรวยขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนก็มาห้าไม่ร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ ถึงเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายไม่มีเงินทองขนาดไหนไปห้ามมันได้ไม่มีตำแหน่งมียศอะไรที่จะไปห้ามมันได้แต่มีถ้ามีธรรมะมีสติมีปัญญานี่จะห้ามใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้ใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายถ้าใจมีอุเบกขามีปัญญา รักษาอุเบกขาใจจะไม่มีวันทุกข์จะมีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติจะรักษาอุเบกขาให้อยู่อย่างถาวรได้ก็ต้องมีปัญญาเพราะว่าสิ่งที่จะมาทําลายอุเบกขาก็คือตัณหาความอยากต่างๆแล้วสิ่งที่จะทําลายตัณหาความอยากต่างๆได้ก็คือปัญญา พอมีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ก็ไม่เอาก็หยุดความอยากได้ทุกครั้งที่อยากได้อะไรเห็นว่ามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ตอบมาก็หยุดมันได้พอหยุดมันได้ต่อไปตัญหาก็จะไม่มีความอยากก็จะไม่มีโผล่มาพอไม่มีโผล่มาอุเบกขาที่ได้จากสติก็จะเป็นอุเบกขาถาวรไป ไม่มีวันเสื่มไม่มีวันหมดไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องเข้าไปเวลาเราเข้าสมาธิเราเข้าไปชาร์จไปเติมอุบเบกขากันอุบเบกขานี้เหมือนความเย็นที่เราให้ไปใส่ไปในขวดน้ําเวลาเราต้องการให้น้ําให้เย็นเราก็เอาไปแช่ในตู้เย็นเราก็เอาความเย็นเข้าไปในน้ําแล้วพอเราเอาเอาขวดน้ํำออกจากตู้เย็นมาวางมาใช้สักพักหนึ่งเดี๋ยวความเย็นมันก็จะจางหายไป ถ้าเราอยากจะให้มันเย็นใหม่เราก็ต้องกลับเข้าไปในเอาเข้าไปในตู้เย็นใหม่ใจเราก็เหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็จะเย็นเป็นอุบเบกขาพอเราออกจากสมาธิมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกิเลสตัณหามาห้อมล้อมมันก็หายเย็นมันก็เริ่มร้อนขึ้นมาถ้าเราไม่มีวิธีกำจัดกิเลสตัณหาเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็น เอาเข้าไปในสมาธิเพื่อทําให้มันเย็นใหม่อันนี้เป็นวิธีที่รักษาความเย็นของใจสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดเจ้วิธีรักษาความเย็นด้วยปัญญาก็ต้องเอากลับเข้าไปในสมาธิแต่ตอนหลังพระพุทธเจ้ามาตัดเจ้ว่าตัวที่มาทําลายความเย็นของใจก็คือตัวความอยากนี่กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมัน อย่าไปทำตามมันให้เห็นว่าทำแล้วมันไม่ได้ความสุขที่แท้จริงได้ความสุขปลอมได้ความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็กลายเป็นความทุกข์เพราะมันจะจางหายไปเหมือนอุเบกขาที่มันจะจางหายไปองั้นทุกครั้งที่อยากก็อย่าไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเราก็จะไม่มีตัวที่จะมาทำลายอุเบกขาที่ได้จากสมาธิ โอเบคาก็จะอยู่อย่างท้าวรนต่อไปต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าการไปทำตามความอยากนั้นจะได้ความสุขเดียวเดียวแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องอยากใหม่ต้องไปทำใหม่แล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็ยิ่งยิ่งทุกข์ใหญ่เคิดอย่างนี้นี่เรียวกว่าปัญญา ถ้าหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วออกมาก็เวลาเกิดความอยากก็ใช้ตายรักมาหยุดมันอยากได้อะไรมันก็เป็นตายรักทั้งนั้นหรือถ้าอยากได้อะไรที่เราหลงต้องมองว่ามันมันไม่ดีอย่างที่เราคิด เ, เช่นเห็นอาหารว่ามันอร่อยก็ต้องดูตอนที่มันไม่อร่อยว่าเป็นยังไงตอนที่มันเป็นอาเจียนตอนที่เราเคี้ยวอยู่ในปากนี่ลองคายมันออกมาดูหน้าตามันดู ดูหน้าตาดูความไม่สวยงามของรูปของอาหารมันก็จะทำให้เราไม่หิวไม่อยากกินหรือเห็นใครสวยงามรูปลอก็มองเวลาเขาตายมองหรือมองเข้าไปในในใต้ผิวหนังของเขาดูใต้ผิวหนังมีอะไรน่าดูบ้างไมถลกหนังออกมาดูมีแต่กระโหลกศีรษะมีแต่โครงกระดูก มีตับมีไตมีปอดมีลำไส้มีหัวใจน่าดูไอมให้คิดอย่างนี้แล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วใจก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขอยู่กับความสุขที่มีอยู่แล้วดีกว่าอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสงบนี่แหละนี่ก็คือวิธี ปัญหาที่แท้จริงต้องแก้ที่ใจแก้ด้วยธรรมะแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาการจะเจริญสติดได้ก็ต้องมีศีลก่อนเพราะถ้าไม่มีศีลก็ไม่ไม่ไม่ยอมอยู่วัดกันก็จะไปเที่ยวกันไปทํานู่นทํานี่กันแต่ถ้าถือศีลแปดก็ไปไหนไม่ได้ถือศีลแปดนอนกับแฟนก็ไม่ได้ไปกินเลี้ยงไปกินข้าวเย็นที่ไหนก็ไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้เออถ้าไปไหนไม่ได้ก็อยู่วัดได้อยู่วัดก็จะได้มีเวลาเดินจงเจริญสติได้พุโทโธพุโทโธได้นั่งสมาธิได้เอรางั้นก่อนที่จะเจริญสติสมาธิก็ต้องมีศีลก่อนเป็นตัวที่จะหาเวลามาให้เพื่อเราจะได้มีเวลาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญากันพอมีเวลาปฏิบัติออ เดี๋ยวก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติวันละเล็กวันละน้อยที่ละเล็กเที่ยน้อยแต่ทำทั้งวันนะแต่ได้เทีละเล็กเที่ยน้อยต้องทําทั้งวันถึงจะได้ถึงจะได้เป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาต้องทําอย่างต่อเนื่องเหมือนปลูกต้นไม้อย่าย้ายที่ปลูกสองวันแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งปลูกอีกสองวันก็ย้ายไปอีกที่ไม่มีวันโตจะให้มันโตต้องให้มันอยู่ที่เดียว กิจก็เหมือนกันปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่กับที่ไม่ต้องย้ายที่แล้วที่ไหนที่ปฏิบัติดีแล้วก็อยู่ตรงนั้นปฏิบัติไปเลยอย่าให้กิเลสมาหลอกมาไปนู่นมานี่ไปทํานู่นไปทํานี่มันถึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าก็เพราะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปฏิบัติมันมัวแต่ไปนู่นมานี่ต้องอยู่กับที่เอากขามันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยทํางี้ทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็สําเร็จเองไม่ยากเห็น ยากอยู่ตรงที่ไม่ทําอย่างต่อเ น, นื่องทําแบบกระต่ายล้มลุกคุกขานบางวันอยากจะทําก็ทําบางวันขี้เกียจก็ไม่ทำํำต้องทําแบบเต่าทําทุกวันออยากหรือไม่อยากก็ทำํำได้มากได้น้อยก็ทําไปอแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ผลมันก็จะได้มากขึ้นไปตามลําดับต้องทําแบบไม่หยุดไม่หย่อน ทำไปเรื่อยๆนอกจากมีเหตุบังคับให้หยุดบางทีก็ต้องหยุดเช่นบางทีไม่สบายเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินแต่ไม่สบายก็ยังเจริญสติได้ก็ยังพุทโธได้อยู่ในใจอยู่เองแต่ว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติจากการเดินจงกรมไม่ได้มานอนจงกรมแทนมานอนบนเตียงแล้วก็พุทโธพุทโธไปแทนอันนี้ก็ยังถือว่าได้ปฏิบัติอยู่ เห็นข้อสำคัญก็คือต้องศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วก็นําเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนแล้วรับรองได้ว่าผลมันจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะผลมันเกิดจากเหตุมันไม่ได้เกิดจากอะไรผลเกิดจากการปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็จะเกิดขึ้นมาเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง เป็นความสงบระดับต่างๆเป็นอุเบกขาระดับต่างๆพระโสดาบันก็อุเบกขาระดับหนึ่งพระสกิดาคามีก็อุเบกขาอีกระดับหนึ่งพระอนาคามีก็อุเบกขาอีกระดับหนึ่งพระอาหารหันต์ก็อุเบกขาอีกเต็มร้อยการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างอุเบกขาให้มันอยู่กับใจอย่างถาวรเพราะฉะนั้นขอให้เราเ ตักตวงโอกาส อ, อันอันที่หายากนี้คือการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้ารีบตักตวงประโยชน์นี้เพราะเวลาของเราไม่แน่นอนจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้หมดแล้วก็ถือว่าจบกลับมาเกิดคราวหน้าไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าคําสอนของพระพุทธศาสนา อาจจะอีกหลายหลายหลายภพหลายชาติก็ จ, จะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งก็ได้เพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้โลกได้พึ่งพาอาศัยสักครั้งหนึ่งเรื่ตอนนี้เป็นจังหวะเป็นโชคที่ดีของเราที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาที่ยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมาหาสมุทรตอนนี้เราได้พบเข็มในมาหาสมุทรได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าปล่อยให้ ของดีมีค่านี้หลุดมือไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนโดยไม่ได้ศึกษาถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์มาล่องห่มล้องห้กันอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร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 พระโสยะาสัพีต so ิโยวิวัชชะตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานเตอายุวันโอสุขัง อันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ o บุ๊ก YouTube ครับวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาสามรอยห้าสิบเจ็ดครับยู u ูบหนึ่งร้อยสี่วิทยุสิบหกแล้วก็อยู่ข้างบนนี้ยี่สิบเอ็ดเป็นสี่ร้อยเก้าสิบแปดครับคนนอยเพราะตอนต้นเ ร, ริ่มเป็นภาษาอังกฤษคนไล่หนี <laughs> คิดว่าอันนี้คงยังไม่ได้ฟังนะั้ว ทีก็คิดว่าเป็นภาษาอังกฤษตลอดเ ล, เลยนี้ก่อนไม่ <laughs> <bye. S 2> าอบายนเขาเขาโอกาสหลวงพ่อคะ่ะเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อบอกว่า อ, อ, อุเบกค่ยๆเข้าสมาธิเพื่อให้ถึงอุเบกขานะคะ่ะแล้วก็เพอเอิญมีคนถามมาเรื่องเรื่องทศตานคะ่ะทีนี้ เมื่อกี้นี้หลวงพ่อบอกว่าอุเบกขาแต่ละระดับสําหรับพระอริยะเจ้าแต่ละขั้นก็ไม่เท่ากันก็หมายถึงว่าก็ยังต้องขึ้นขึ้นให้ถึงขึ้นให้ถึงชั้นสี่อุเบกขาทั้งทั้งสี่ระดับเลยหรือว่าแค่แค่ได้เอโกทิภาวะแยกออกมาตรงอัปปนาชั้นสองสำหรับพระโสดาบันเนี่ยว่าอุเบกขาในสมาธินี่มันได้ มันมันได้เต็มที่แต่มันได้เดี๋ยวเดียว oh. พอออกมาถ้าอยากจะให้มันอยู่ต่อก็ต้องใช้ปัญญา <Okay. S 1> ถ้าปัญญาของโสดาบัน <Okay. S 1> ก็จะรักษาอุเบกขาให้อยู่ได้ในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้าได้สกริราคาก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นไปหมายถึงรักษาให้มันอยู่หลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้ว <Okay. S 1> รักษาให้มันอยู่ด้วยการทําลายตัวตันหาความอยากที่จะไปทําลายอุเบกขานั้น okay. แต่กําลังสมาธิก็ต้องเท่ากันคือระดับชันสีมันต้องได้อุเบกขาเต็มร้อยล้วพอออกมามันก็จะเริ่มจางหายไปถ้าไม่อยากให้มันจางหายไปก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดตัวที่มาทําลายให้มันหายไปปัญญาของพระโสดาบันยังไม่เต็มร้อยก็ได้เพียงแต่รักษาได้ในระดับร้อยละยี่ห้าพูดอย่างนั้นสกิทาคามีก็ได้ร้อยละห้าสิบอย่างเงี้ยอย่าเที่ยวไม่ฟัง คขอบคุณค่ะต้องมีอุเบกขาก่อนแล้วก็ใช้ปัญญารักษามันตอนที่ออกจากอุเบกขาต้องออกจากสมาธิจะได้ไม่ต้องเอากลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆพอมีปัญญาของพาอาาระอรหันต์มันจะรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลาเข้าสมาธิไม่เข้าก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ถ้าเข้ามันก็นิ่งไม่คิดอะไรท่านเองแต่อุเบกขาก็จะเท่าเดิม จะคิดหรือไม่คิดก็จะเท่าเดิมอนนเ่ ก, ก็สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนี่ยแต่ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจไว้แต่ต้องอไปปฏิบัติถึงจะเห็นชัดเจนคำถามถ้ามีก็ลองถามเข้ามาคำถามจากทางเฟซบุ๊กครับ คุณสายทองมีคำถามเจ้าค่ะคือคนไม่มีบุตรหรือลูกนี้เป็นคนบาปไหมเจ้าค่ะแจะบาเวลาะัรไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปรักขโมยไม่ไม่ผิดศีลห้ามันก็ไม่บาปการมีลูกไม่มีลูกมันไม่เกี่ยวกับการทําบาปหรือไม่บาปคําถามจากคุณบุญสิกขากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมได้เห็นรังพึ่งขนาดใหญ่ บนต้นมะกรูดของเพื่อนบ้านและโยมไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้านเพราะมีเจตนาไม่ต้องการให้คนไปรบกวนรังพึ่งทั้งที่มะกรูดต้นนี้มักมีคนไปเก็บลูกหรือใบมาใช้ประกอบอาหารอยู่เสมอการที่โยมมีความเป็นห่วงพึ่งมากกว่าความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์โยมจะบาปหรือไม่คะก็ไม่บางเป็ น, นลำเอียงไม่ไม่ไม่เมตตาให้มันสับเพสัตตามันเมตตาแบบ บางชนิดบางชนิดไม่เมตตาก็ท่านั้นเองยังลำเองอยู่กพง่างไงยังไม่เมตตาอย่างทั่วถึงคำถามจากคุณนักธนนขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ข้าน้อยนั่งสมาธิแล้วเห็นอสุภะในแบบต่างๆควรจะพิจารณาและดูไปหรือไม่สนใจแต่ให้ดึงจิตกลับมาพุโทโธครับก็อยู่ที่ว่าเรานั่งเพื่ออะไร ถ้าเรานั่งเพื่อความสงบโอเบคาเราก็ต้องไม่สนใจแต่ถ้าเรานั่งเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็สนใจดูบ่อยๆดูเยอะๆดูให้มันจำได้ให้มันฝังใจแล้วไม่ใช่ถอดเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาออกมาเวลาไปไหนมาไหนเห็นใครก็ต้องเห็นตามที่เราเห็นในสมาธิถ้าเห็นเฉพาะในสมาธิแต่พอออกมาเห็นดาราก็เกิดความรักขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เห็นอาสุภาพเพื่อจะได้มาตัดความรักความหลงในร่างกายของคนอื่นเพราะฉะนั้นในสมาธิมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเหมือนกับเป็นการไปเรียนรู้หรือเป็นการไปทําการบ้านแต่เราต้องเอาไปทําใช้กับข้อสอบของเราคือเวลาเกิดการมารมณ์ขึ้นมาต้องเอาสุภาษต้องรีบโผต้องโผ่มาทันทีถ้าไม่โผลขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์ไปโผตอนที่นั่งสมาธิไปโผล่ทไม ตอนนั้นไม่มีการอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมดังโผตอนที่มีข้าศึกจัตุรูมาบุกลุกใจมาสร้างความรุ่มร้อนให้กับใจอตอนนั้นต้องใช้อสุภามาฆ่ามันมาดับมันดังนั้นจะคลายมันได้ก็ต้องคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะตอนที่เห็นในสมาธิเท่านั้นต้องเอามันตั้งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เอามันเลย จนกว่ามันจะฝังอยู่ในใจจนกระทั่งมีความมั่นใจว่าไม่ลืมแล้วพอเห็นอะไรสวยงามปับ๊บมันก็โผล่ขึ้นมา ท, าทันทีหรือยังไม่ทันเห็นว่าสวยไม่สวยมันก็โผล่มาแล้วบางทีบางคนเในสมัยพุทธกาลนี้มีพระอยู่รูปนึ่งท่านบอกถ้าไม่เห็นคนท่านเห็นแต่โครงกระดูกมีคนมีคนเดินมาถามว่าเห็นชายคนนั้นเดินมาทางนี้หรือเปล่าท่านไม่เห็นใครเห็นแต่โครงกระดูกท่านไม่ดูหน้าดูตาท่านดูแต่โครงกระดูก เห็นใครมาก็เห็นแต่โครงกระดูกของเขาอนนั้นนี่เรียกว่าต้องเห็นแบบนั้นคำถามจากทางไลน์ครับแม่ไตาวายหมอปล่อยแล้วจะได้ไม่ทรมานสงสัยว่าเราควรจะเรียกแม่เรื่อยๆให้สติกลับมาอยู่กับตัวหรือปล่อยให้เขาหลับไปเลยเขาจะรู้ตัวบ้างเป็นพักๆบางทีก็ละเมอเรียกชื่อคนที่รักเวลาพยาบาลเช็ดตัวดูดสเลด ก็รู้ตัวแต่ไม่มีแรงคำถามการที่เราปล่อยเขาไปเองไม่ฟอกไตยหยุดยาให้แต่อาหารประคองไปเรื่อยๆจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญก็ให้ไตแม่ไปสิแบ่งตให้แม่ทักตหนึ่งเรามีสองตายไหมเนงอยก็แบ่งให้แม่ตาหนึ่งแม่ก็จะได้อยู่ต่อได้นอกจากว่าหมอเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนได้อยากจะได้บุญอยากให้แม่อยู่ต่อไปเราก็บริจาคตายให้กับแม่อันนี้ถึงจะได้บุญการบริจาคก็อวัยวะต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเพราะเราจะรู้ว่าเราได้บริจาคได้เสียสละของที่เรารักไปให้กับคนอื่นเรารู้ว่าคนอื่นได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราแต่ถ้าเราไปเขียนพิ่นัยกรรมเขียนว่าตายแล้วขอบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลเราไม่รู้หรอกเวลาตายไปแล้ว มันมันไปจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยังไม่ได้ไม่ได้บุญจากการที่เราบริจา克ร่างกายหลังจากที่เราตายแล้วถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายให้าา ก, ก็มาฝ้าเกาะไปออกอาจากร่างกายเราเลยเอาตายไปเลยเอาตาไปเลยแบ่งเอาปอดไปข้างนึงเอาตายไปข้างเอาตาไปข้างอย่างเนี้ยถึงจะเราก็เห็นคนที่คนไข้นอนจะตายกลับลุกฟื้นขึ้นมาได้ เหมือนทำอะไรได้นี่มันก็จะทําให้เราเกิดมีความสุขใจขึ้นมาความสุขใจเนี่ยก็คือบุญครับงนั้นการจะบริจาคอวัยวะต่างๆนี้ต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายบริจาคเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งอาการสามสิบสองบริจาคเลือดก็ได้บุญคําถามจากคุณสมเกียรติครับมีเพื่อนถามว่าเล่นการพนันไม่ผิดศีล แล้วผิดยังไงตายไปจะตกนรกไหมผมตอบไม่ได้ขอพระอาจารย์ช่วยตอบให้หน่อยครับคือเล่นการพนันก็เหมือนกับไปอยู่ที่ประ ต, ระตูอบายอยู่ใกล้อบายแต่ยังไม่ได้เข้าไปในอบายหมายเพราะอะไรเพราะคนเล่นการพนันนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะไปทำบาปต่อไปพอเวลาเล่นการพนันแล้วเกิดเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อ ม, มีสมบัติอะไรก็ขายเดี๋ยวขายสมบัติหมดก็อาจจะต้องไปหลอกคนอื่นยืมเงินคนอื่นมาเล่นถ้าหลอกไม่ได้ก็อาจจะไปขมโมยเงินคนอื่นมาเล่นต่ออันนี้มันจะเป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปต่อไปถ้าไม่เล่นการพนันก็จะไม่มีเหตุที่จะมาบังคับให้เราต้องไปเสี่ยงต่อการทำบาปเพราะเงินทองเราจะสามารถรักษาไว้ได้เอาไว้ใช้กับสิ่งที่จาเป็นได้ แต่ถ้าในการบรรณา น, นี้จะไม่รักษาไม่สามารถรักษาเงินทองได้เวลาได้มาก็จะใช้อย่างฟุ่งเฟือยใช้อย่างสูรอลุยสุย่อไลเพราะได้มาง่ายแต่พอเสียก็ต้องขายสมบัติเข้าของเงินทองไปเล่นมันก็จะไม่มีเงินที่ใช้กับของที่จำเป็น ก, ก, ก, ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็เลยต้องไปทำบาปเฉนั้นอาบายามุขนี้เป็นตัวล่อให้เราไปเสี่ยงต่อการทำบาป ไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราเล่นการานันเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงเที่ยวผู้ชายนะเที่ยวดูการละเล่นต่างๆพบกับคนที่ชอบอบายามุขเพราะอะไรเพราะคนชอบอบายามุขก็จะชวนเราไปเสพอบายามุขแล้วก็ความเกียดค้านก็ถือว่าเป็นอบายามุขขี้เกียจทรมาหากินหาเงินหาทองชอบเที่ยวชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้ มันก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมันก็จะต้องไปหารายได้โดยวิธีที่ไม่ชอบต่อไปคำถามจากคุณเบนซ์กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะความลูกความทุกข์ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนวทางการปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรดีคะลูกได้งานใหม่เจอรองหัวหน้าด่ากแกล้งตลอดว่าให้เราไม่ดีบ้างใช้ให้ทำอะไรโดยไม่สอนบ้าง เราทำไม่ได้ก็ด่าสารพัดซึ่งบางเรื่องเราก็ไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่าด้วยใช้ให้ทำอะไรก็ทำให้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยพอใจเราเลยลูกเป็นคนยอมใครง่ายๆไม่ค่อยพูดไม่เคยเถียงใครทำดีกับทุกคนแล้วเขาทำไมเกลียดเราทั้งที่เราก็ไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยพระอาจารย์ช่วยสอนแนะแนวทางให้ลูกหน่อยค่ะ ลูกอยากทํางานที่นี่ต่ อ, อต้องต่อสู้กับคนแบบนี้อย่างไรดีคะทุกง่ายนิดเดียวถ้าเรามองว่าเป็นการทดสอบเราเนี่ยบริษัทเขาอาจจะมีวิธีที่จะเลือกเฟ้นคนเอาคนที่โหดโหดคนที่แก่งแกงเขาก็เลยต้องเล่นลูกโหดกับเราท่านนเองแต่ถ้าเขารู้ว่าเรารับลูกโหดต่างๆได้ต่อไปเขาก็จ ะ, ะเขาก็จะเก็บเราไว้เพราะเขาต้องการคนอย่างนี้ แต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนแอเขาพูดนิดพูดหน่อยก็ไปแล้วอย่างนี้เขาก็จะได้ไม่ไม่เก็บเราไว้เสียเวลาเพราะเขาอาจจะต้องมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองมาเทรนเราอีกมาสอนเราอีกอย่างก่อนที่เขาจะลงทุนเขาต้องเลือกเอาคนที่พร้อมที่จะสู้อย่นขอให้เรามองว่าทุกอย่างที่เขาทำกับเรานี้เป็นเหมือนข้อทดสอบเราทดสอบจิตใจเรา หรือ้ามันไม่ได้ทดสอบก็ถือว่าดีมันเป็นการสร้างความแก่งให้กับเราแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กับเรื่องโหดๆได้เนี่ยเป็นท่านมีท่าน ม, มีคำพูดที่บอกว่าถ้ามารบม่มีบารมีบ่เกิดเนี่ยแต่อยากจะสร้างบารมีคือขันติบารมีความอดทนนี้ต้องเจอมารให้มีมารมาผชนเยอะๆ เ, เนี่ยตอนนี้กำลังคิดว่าเรากาลังสร้างบะ ขันติบารามีกันน ะ, ะถ้าเจอเรื่องโหดหดเรื่องอะไรต่างๆนี้เราต้องฝึกขันติฝึกอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขามีขันติแล้วเราสบายมันจะทำไงก็เร็วของมันขอให้มันจ่ายเงินเดือนก็ใช้ได้ถ้ามันไม่จ่ายเงินเดือนก็ต้องไปแล้วถ้าทดสอบแบบนี้ไม่เอาแนะ่ๆแต่อย่างอื่นนะพอทนได้แต่ถ้าทำแล้าไม่มีเงินนี่ไม่เอาแนะน่นอนทดสอบอยังไงก็ไม่เอาะล้อ คำถามจากคุณชนะตนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านใช้ธรรมะข้อใดในการเผยแผ่ธรรมให้สัตว์โลกได้ตลอดอายุไขท่านโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคะ่ะ อ, อ๋อก็ท่านใ ช, ใช้ใช้ธรรมะความจริงใช้เหตุการณ์จริงมีอะไรมาก็พูดไปตามเรื่องอตามราวตามคนเนี้ยคนคนฝรั่งมาก็ต้องพูดภาษาฝรั่งคนไทยมาก็ต้องพูดภาษาไทยไป พูดไปตามที่มีเหตุการณ์มาให้ท่านพูดท่านก็พูดไปแบบคุยกันนะ่ะท่านไม่ได้มาคิดว่าจะต้องมา ก, กำหนดข้อความว่าวันนี้จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเห็นคนมันก็รู้เองว่าจะต้องพูดเรื่องอะไรคนแต่งตัวมานี้ก็บอกแล้วว่าเขาอยู่ในระดับไหนแต่งกายสีฉูดฉาดนี้เขาก็อยู่ระดับนักบุญนะถ้า แ, แต่งกายแบบสีขาวสีดานี่ก็แสดงว่าอยู่ในระดับนักบวชแล้ว มันก็จะรู้คนว่าคนที่มาฟังนี้มีควรจะรับธรรมะแบบไหน й. ท่านก็สอนแล้วท่านก็ไม่มาเครียดกับการสอนว่าสอนแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็จะเอาไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอันนั้นไม่เรื่องมันเป็นเรื่องของเขาท่านมีหน้าที่พูดพูดเสร็จแล้วก็จบท่านจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่ก็เรื่องของเขาเขาจะหลุดพ้นหรือไม่ก็เรื่องของเขาไม่มาเครียดกับมัน เขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่กังวลพูดความจริงให้เขาฟังเขาอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรคำถามจากคุณวิบูลถ้าเราอยากปล่อยสิ่งต่างๆแต่มีท่านผู้ใหญ่บอกว่าเรามีภาระหน้าที่ต้องทำเป็นกรรมแต่อดีตชาติทำอย่างไรดีครับก็จะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อเขาเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มีใครมาบังคับเราหรือเปล่าว่าเราต้องเชื่อเขา ถ้าเราไม่เชื่อก็จบใช่ไหมคำถามจากคุณพาสิทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ครับเรื่องมีอยู่ว่าผมขับรถชนลูกหมาตายโดยไม่ตั้งใจคือผมเห็นลูกหมาอยู่ข้างทางผมก็ชะลอรถพอล้อหน้าผ่านลูกหมาผมก็เร่งเครื่องแต่ลูกหมาดันวิ่งมารถก็เลยถูกล้อหลังทับตายอันนี้ผมจะบาปไหมครับ ให้บาปแล้วไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายเขามันเป็นข้อกรรมของเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องตายคิดว่าถึงเวลาเขาจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะมันหดกรรมนะคําถามจากคุณไมลย์เรียนถามพระอาจารย์การทําบุญบริจาคเงินให้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลได้ผลบุญเท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไรผลบุญได้เท่ากันแต่ประโยชน์แตกต่างกันประโยชน์ที่ผู้รับเอาไปทํามันไม่เหมือนกัน วัดก็ไปสร้างาศาสนาให้ถาวรมั่นคงโรงเรียนก็ไปสร้างโรงเรียนให้มั่นคงโรงพยาบาลก็ไปสร้างโรงพยาบาลให้มั่นคงประโยชน์ไม่เหมือนกันแต่บุญคือความสุขใจอิ่มใจบุญที่เราจะติดตัวไปกับเราได้มันเหมือนกันคำถามจากคุณโป่งฟ้าการไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชงเมงโยมเข้าใจว่าเป็นมงคลหนึ่งในการแสดงกาันตีกับบรรพบุรุษ แม้จะไม่ใช่การส่งบุญให้ท่านในทางพุทธก็ตามโยมเข้าใจถูกต้องไหมคะหรือมีมุมอื่นที่พึงได้ประโยชน์มากขึ้นคะ่ะกรตัตอนอยูได้อย่างไงเมื่อผู้รับไม่ได้รับอะไรจากเราผู้รับตายไปแล้วเราจะไปทําอะไรให้ต้องทําตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เลตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่นั้ น, นะนควรจะไปไหว้ควรจะไหว้พ่อแม่ตอนที่มีชีวิตอยู่อย่าไปไหว้ตอนที่ตายแล้วตอนที่ตายแล้วเขาไม่รู้เรื่องแล้ว เขาไม่รับรู้แล้วเรื่องที่เราทําทั้งหมดเขาไม่มีความรู้สึกสุขใจไปกับการกระทําของเราถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณแสดงความกตัญญูกแต่เวทีเราก็ต้องไปกราบไหว้ท่านตอนที่เราท่านยังมีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> ไปหาท่านหรือกราบทุกวันเนี่ย <Yeah. S 1> เจอเมื่อไหร่ก็กราบ <Yeah. S 1> แล้วก็นึกถึงทุกวันแล้วก็ทำไม่เนี้ก็โทรศัท์หากันได้ทุกวัน <Yeah. S 1> ส่งของไปให้ได้ทุกวัน สั่งพิซซ่าสั่งอะไรไปให้ได้เอแม่วันนี้หนูส่งพิซซ่ามาให้แม่นั้นได้รับหรือยังอย่างเงี้ยกระตันอยู่มันต้องทําด้วยการกระทําไม่ใด้ทํากับผู้ที่ตายไปแล้วไม่รับรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเอาข้าวเอาของไม่ตั้งไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับมากินกันเองมันไม่มีการกระทําอะไรที่เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นความกระตันอยู่เลยนอกจากมีอย่างเดียวก็คือเป็นที่ที่ที่รวมญาติเท่านั้นเองอะ ปีนึงยากพี่น้องอาจจะได้มาเจอหน้ากันสักครั้งจะได้รู้ว่าลูกหลานคนนี้เป็นลูกของใครอะไรทานองนั้นเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วมันไม่มีอะไรประโยชน์จากการไปไหว้แบบนี้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบน้ำสการครับพระอาจารย์ขอถามต่อจากเมื่อวานครับที่ว่าบวชพระจัดงานแห่นาคต่างๆมีเล่าของมึนเมาอใยบุคนี้ มันจะได้บุญหรือครับผมเห็นบางวัดเขาบวชพระอุปชาบางท่านก็ไม่รับปัจจัยพระอันดับก็ไม่เอาแต่บางวัดนี้ต้องระบุด้วยว่าใส่องค์นั้นเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ถูกต้องหรือครับขอคําอธิบายให้กระจ่างหน่อยครับพระอาจารย์ก็แต่ละวัดเขามีธรรมเนียมไม่เหมือนกันบางวัดเขาไม่เน้นการรับเงินรับทองเขาก็ไม่รับบางวัดเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองเขาก็รับเงินรับทอง เขาก็มีค่าใช้ใจ่ายก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆดังนั้นแต่ละวัดเขาก็มีความจำเป็นไม่เหมือนกันแต่จะพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรที่จะเรียกร้องเงินทองถ้าเป็นพระพระก็ทำไปตามหน้าที่แต่บางทีมันอาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้เช่นไปโบสถแล้วเกิดไฟดับขึ้นมาเขาตัดเพราะไม่จ่ายค่าไฟ ก็อย่าไปโทษพระเขาก็แล้วกันเพราะก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอย่างนี้ก็เพราะว่าญาติโยมไม่ยอมทําบุญไม่ยอมจ่ายเงินเพราะเห็นว่าไม่ต้องจ่ายเงินบสถไม่ต้องจ่ายเงินก็เลยไม่จ่ายเงินให้อแต่เรามองไม่เห็นค่าใช้ใจ่ายแฝงที่มีอยู่ในวัดวัดต้องมีท่าค่าใช้ใจ่ายแฝงเหมือนกันเดี๋ยวโบสหลังคารั่วใครจะซ่อมให้น่ะญาติโยมซ่อมให้หรือเปล่าใช่ไหอ อันนั้นก็ต้องคิดมองให้มันกว้างๆให้มันรอบคอบที่บางวัดเขาอาจจะมีมีศรัทธาแรงที่ไม่ต้องขอเงินก็มีคนมาคอยให้อยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องขอไม่ต้องบอกอันนั้นวัดนั้นเขาก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องรับมีตู้บอยจากคนก็ไปใส่ให้อยู่เรื่อยๆพอกขามีค่าใช้ใจ่ายพอเพียงเขาก็ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรต่างๆแต่บางวัดไม่มีปะคนไป หรอีกวัดหนึงอาจจะมีพอแต่ก็ยังโลภอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านแล้วช่วยไม่ได้ยั้นเรื่องอนันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจไหมอ่าเราก็ต้องมองโลกในตามความเป็นจริงอย่าไปมองโลกในในมุมมองของอะไรความควรจะเป็นควรจะเป็นกับความเป็นจริงบางทีมันไม่ตรงกันะยั้นถ้าเราอยากจะบวชวัดที่ไม่ต้องจ่ายเงินก็ไปหาวัดที่เขาไม่เรียกร้องเงินก็หมดเรื่องถ้าอยากจะแห่ ถ้าอยากจะจัดยาเลี้ยงก็ไม่อยากจะเลี้ยงสุราเราก็อย่าไปเลี้ยงสุราสิมันก็เท่านั้นเองนี่มันแต่ละบ้านแต่ละวัดเขามีธรรมเนียมความเป็นมามันไม่เหมือนกันความรู้ความเข้าใจของาศาสนาไม่เท่ากันเขาก็ทาไปตามความรู้ความเข้าใจของเขานั้นเองคำถามจากคุณรัชสาการสวดมนต์ การแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการพูดออกเสียงจะมีผลให้ผู้รับได้รับมากกว่าการแผ่ในใจไหมคะนื่องก่อนจะอุทิศบุญได้ต้องมีบุญก่อนบุญที่เกิดง่ายที่สุดก็บุญที่เกิดจากการทําทานเช่นใส่บาตรบริจาคเงินทองพอบริจาคเงินไปก็จะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมา บุญนี้อุทิศได้จะอุทิศด้วยเสียงหรืออุทิศด้วยในใจก็เหมือนกันขอให้ใจเป็นผู้อุทิศก็แล้วกันใจต้องคิดก่อนคิดแล้วก็จะพูดพูมพามพูมพามว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ก็ได้หรือจะนึกไปในใจก็ได้ไม่ต้องออกเสียงก็ได้อันนี้เรื่องของอุทิศบุญนะต้องมีบุญก่อนถึงจะอุทิศได้จะมาเอาบุญที่เกิดจากการไหว้พระส่วนวันนี้มันยังไม่เป็นบุญนะ เพราะ่าว้พระสวดมนต์มันยังไม่ได้เกิดผลยังไม่ได้ความสงบได้สมาธิมันก็จะอุทิศบุญอันนั้นไม่ได้แล้วส่วนเรื่องแผ่เมตตานี้มันไม่ได้แผ่ด้วยการสวดก็ได้ไหมการสวดนี้ไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครเพราะไม่มีอะไรให้เขาแล้วไม่มีคนรับการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำเช่นเราเอาเงินไปให้คนนั้นคนนี้วันเกิดซื้อของขวัญไปให้เขาหรือ เอาเงินใส่ซองมาให้เขาอันนี้แหละเรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขกับเขาเขาดีใจไหมเวลาเรา เ, าเงินเอาทองใส่ซองไปให้เขาในวันเกิดเขาเขาก็ดีใจเนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าแผ่เมตตาเห็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดเห็นก็เห็นก็มีเมตตากันเต็มโลกแล้วสวนเมตตากันทุกคืนแต่พอเจอการละยากเขี่ยวใส่กัน เวลาเจอกันถ้าแผ่เมตตาต้องยิ้มให้กันสิต้องถามสารแทุกสุขเดบกันว่าเป็นไงสบายดีหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือไม่อถามอย่างนี้นี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่พอเจอกันก็ยากเขี้ยวใส่กันหน้าตาบึ้งตึงใส่กั น, นอย่างนี้อย่นี้ไม่ได้แผ่เมตตาแต่เวลาอยู่ห่างกันโอ้ยสวดแผ่เมตตาสเปสัตาขอให้เธอจง ม, มีนู่นมีนี่อันนั้นเป็นการสวดไม่ได้เป็นการแผ่ การแผนต้องแผ่ด้วยการกระทาด้วยการปฏิบัติต้องมีผู้ให้กับผู้รับต้องมีของให้ด้วยคำถามจากคุณชนิกากราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเห็นคนที่ท้องไม่ถึงเจ็ดเดือนแล้วแท้งออกมาเด็กตัวน้อยยังมีลมหายใจอยู่แล้วเราไม่ช่วยเหลือปล่อยให้เด็กหมดลมหายใจไป เราจะบาปใช่ไหมคะและจะลดบาปได้ด้วยวิธีใดคะขอบพระคุณ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเราไม่ได้ไปทำอะไรเราก็ปล่อยเขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายเพียงแต่เราไม่ได้บุญถ้าเราช่วยเขาเราก็ได้บุญช่วยเขาเอาใส่ตู้อบเรืออะไรช่วยให้เขาอยู่ต่อไปได้โดยไม่ตา ย, ยานี่เท่ากับเราได้ช่วยชีวิตเขาได้บุญ แต่ตอนปล่อยเขาเฉยๆนี้ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้บาปไม่บาปได้ต่ก็ไม่ได้บุญคำถามจากคุณริชชี่พระที่ถือว่าตนได้พระปฏิโมกเรียนพระไตรปิฎกศึกษาพระวินยัยมากมายจนทำให้มีอัตตาตัวตนแล้วถือว่าตนดีกว่าพระรูปอื่นๆแล้วไปเพ่งเล็งพระรูปอื่นอบอกสอนในทางที่ผิดบ้างถูกบ้างให้ทาตามกิเลสที่ตนพูดบอก พอพระรูปนั้นแสดงความเห็นต่างสิ่งที่ตนพบเจอมาในสิ่งที่ถูกที่ต้องแล้วพระเพ่งรูปนั้นพูดอ้างพระวินัยต่างๆนานาแล้วคิดว่าตนเองรู้ชัดแต่ที่จริงแล้วอาจจะยังไม่ใช่ควรทําอย่างไรครับก็อย่าไปเพ่งในเขาเพราะเราถ้าเราเพ่งนในเขาเราก็ไม่ต่างจากเขาเราก็มีอัตตาตัวตนที่ไปคอยไปเพ่งนในเขาว่าไปว่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปถ้าเรารู้ว่าเขาไม่เป็นคนที่เราควรจะคบค้าสมาคมเราก็อย่าไปคบค้าสมาคมก็เท่านั้นเองแต่เราอย่าไปเพ่งเลนเขาไปดูเขาไปว่าเขาไปวิพากวิจารณเขาเขาจะเป็นงไงก็เรื่องของเขาไปการไปเพ่งเลนเขาก็ไม่ก็ไม่ต่างจากเป็นเป็นเหมือนเขานั่นแหละคําถามจากคุณหมาย <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระโสดาบันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะรักษาแค่ศินห้าครบเป็นได้ไหมคะไม่ได้แล้วพระโสดาบันนี่ต้องต้องไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ไม่กลัวเฉยๆต้องเห็นว่าทําไมถึงไม่กลัวเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ร่างกายเป็นเพียงลูกน้องของเราที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยินดีให้มันแก่มันเจ็บมันตายเหมือนกันเราเห็นร่างกายของคนอื่นถ้าเราเห็นร่างกายของคนอื่นแล้วเราไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของเขาอย่างไรเราก็ต้องเห็นร่างกายของเราอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นพระโสดาบันได้คำถามจากคุณภรดาภาวนาเป็นก้อนธาตุก้อนขัน หลังเป็นความว่างแล้วมาอยู่กับความว่างอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับถ้าว่างก็ถูกอ่ะบคำถามจากคุณสมศักดิ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ <c oughs> ถ้าเราขุดบ่อเลี้ยงปลา <c oughs> กว้างประมาณห้าเมตรยาวประมาณห้าสิบเมตรเอาไว้เพื่อดูไม่ได้ขายหรือกินเราจะมีบาปหรือมีเวรมีกรรมหรือเปล่าครับรวมทั้งไก่ที่ขังกรงไว้ด้วยครับ ก็เหมือนก็ไปสร้างคุกให้เขาอยู่นะก็ยังเหมือนกับเหมือนก็จับเขาขังไว้ในคุกคุกอาจจะใหญ่หน่อยคุกขนาดห้าเมตรคูนห้าสิบเมตรถ้าอยากจะได้บุญหรือไม่อยากจะไปกักขังเขาก็ไปปล่อยเขาในแม่น้ำลำธานดีกว่าหรือในทะเลให้เขาอยู่อย่างอิสระเหมือนกับเราอยู่เราอยากเราชอบอิสระอย่างไรเราก็โกรย้ายอิสระกับเขาอย่างนั้น ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่แบบนั้นเราก็ต้องขังตัวเราอยู่ในบ้านห้าสิบเมตรกว้างห้าเมตรห้ามออกไปจากบ้านนี้โดยเด็ดขาดคำถามจากคุณแสงสว่างกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการได้นั่งสมาธิจนผ่านอารมณ์ในองค์ชาญทะลุถึงสภาวะไม่มีกายแล้วถอนออกมาต่อมาเมื่อนั่งอีกจะมีแต่อาการปิติสุขสว่าง แล้วอาการเหล่านี้ค่อยๆหายไประยะหลังๆมีแต่ความสงบจะมีโอกาสได้พบเห็นอาการแบบนั้นอีกหรือไม่ครับถ้านั่งเป็นมันก็ต้องมันก็ต้องพบได้เลยวิธีนั่งเนี่ยมันเหมือนกับเราทําอะไรทํากับข้าวโอหนี่ได้แกงแบบนี้ข้าวต่อไปแล้วก็ทําแบบเดิมมันก็ต้องได้แกงแบบเดิมใช่มหมยันเราก็ต้องรู้จักวิธีนั่งของเราว่าเรานั่งแบบไหนนั่งเราได้ผลอย่างนี้ได้อย่างไร เราทุกครั้งที่เราต้องการผลแบบนี้เราก็นั่งแบบนี้ต่อไปมันก็ต้องได้ผลเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลถ้านั่งแบบไม่แน่ใจก็สแสดงว่าตัวเองนั่งแบบไหนก็ไม่รู้ถ้าอยางนี้น่ากลัวเพราะตัวเองไม่รู้ว่านั่งยังไงถึงไปถึงจุดนั้นได้ถ้าอย่างนั้นแล้วข้าวหน้าจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงถ้าไม่รู้ว่าข้าวนี้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรยนันต้องกลับไปทบทวนดูให้แน่ว่า รูหรือเปล่าว่าเรานั่งแบบไหนจึงทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเรารู้ทุกครั้งที่เราต้องการผลเราก็นั่งแบบนี้ไปสิใช่ไหมเมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คำถามจากคุณสายพินโยมภาวนาด้วยการเจริญสติในชีวิตประจําวันพอมีอะไรเกิดขึ้นก็จะเอามาพิจารณาซึ่งบางครั้งสติก็ตามทัน บางครั้งสติก็ตามไม่ทันและถือศีลได้แค่ศีลห้าแต่ศีลข้อสามบริสุทธิ์ภาวนาไปอย่างนี้จะเข้าถึงพระนิพพานได้ไหมครับไม่ได้หรอกต้องเพิ่มเป็นศีลแปดแล้วก็ต้องไปเปรกวิเวกอยู่คนเดียวนันถึงจะมีโอกาสเข้าไปนิพพานได้คำถามจากคุณอูกราบเรียนถามพระอาจารย์การทำหมันสัตว์ เป็นบาปไหมคะไม่บาปไม่บาปหมดแล้วครับหมดแล้วเลยอคำถามนี่ถามเยอะนะเรื่องทำหมันนี่ไม่เคยถามว่าทําหมันคนบาปวะไม่าต่ทำหมันสัตว์มันก็ไม่ได้ไปฆ่าอะไรไม่ได้ไปทําร้ายชีวิตไม่ได้ผิดศีลห้าถ้าไม่ผิดศีลห้าก็ถือว่าไม่บาปมีอะไรอยากถามไหม อ่าเอาต้นหน่อยขั้นกลางนิดหน่อยช่วงเวลาว่างพระอาจารย์คะที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องที่ว่าอุเบกขาแต่ละขั้นนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่ว่าจะมีอุเบกขาเนี่ยก็คือถ้ามันถ้ามันอยู่นี่ก็คือว่ารับรู้อะไรแต่ว่าไม่มีอารมณ์ใช่ไหมคะใช่อย่างพระโสดาบันนี่จะไม่มีอารมณ์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ยังมีอารมณ์กับกามอยู่เห็นคนนั้นสวยเห็นคนนั้นหลอ่อใจหาย อเวคาหายหมดแล้วถ้าขาดแล้วถ้าถือว่าถ้าสมติอ่าตรงนี้แล้วถ้าไปเข้าสมาธิเนี่ยมันจะเป็นจิตสงบอ่ะมันก็อเบวคาก็กลับมาอเวคาก็กลับมาแต่แตออกมาก็ถ้าเจอมันก็ยังถ้าไม่มีปัญญาก็ยังก็ยังรักษาอเวขาตรงตรงนั้นไม่ได้อ แต่ถ้าสมมติว่ามาเจอคนสวยคนหล่อแล้วก็เป็นอสุภะเนี่ยก็มันก็จะเป็นอุเบกขาต่อไปและอุเบกขาก็จะกลับมาใช่ไหมคะคืออุเบกขาที่กลับมารอบหลังเนี่ยก็จะเป็นอุเบกขาถาวรถาวรเหมือนกับที่เราออกจากสมาธิใช่ไหมคะแต่ถ้าสักขั้นต่อไปก็ก็จะเป็นเรื่องอื่นเป็นกิเลสตัวอื่นใช่ไหมคะยังมีอวิชามีมานะการถือตัวอยู่มีการติดอยู่ในรูปประชาณะรูปประชาญอยู่ อ๋อถ้าถ้าสมมติว่าถ้าถ้าไปตลอดสายแล้วก็คืออุเบกขามันมีอยู่แต่ว่าการที่เข้าสมาธินี่ก็คือเข้าไปจิตสงบเท่านั้นใช่ไหมคะหมายถึงถ้าไม่อุเบกขาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะเ ข, ข้าสมาธิก็เพื่อหยุดหยุดจิตให้มันพักผ่อนแล้วอุเบกขาอยู่ข้างนอกเนี่ยตอนทีอ่อยู่แล้วเนี่ยต้องใช้ปัญญารักษาไหมคะอาจารย์อาอก็มีปัญญามันก็รักษาอยู่แล้วไง มันมันมันไม่ได้อยู่โดยอัตโนมัติเหรอคะมันอยู่ด้วยด้วยปัญญาไงอ๋ออยู่ด้วยปัญญาปัญญาจะทําลายตัวที่มาทําลายอุเบกขาคือกิเลสความโลภความอยากในการสัมผัสรับรู้ใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อไม่มีความโลภความอยากอุเบกขาก็จะอยู่ต่อถ้ามีความโลภความอยากอุเบกขาก็จะหายไปอ๋อตอนนั้นก็มาใช้ปัญญาใช่ไหมคะเพื่อทำลายความโลภความอยากพอความโลภความอยากถูกหยุดไปอุเบกขาก็กลับมาใหม่ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าสมาธิแต่เข้าไปสมาธิเพื่อไปสบปงบอารมณ์เฉยๆไปพักจิตไปหยุดความคิดปรุงแต่งอเพราะพระพุทธเจ้<ห>พพจาพระนารนท่านไปพักจิตเฉยๆถ้านไม่ท่านไม่ได้ไปไปฆ่ากิเลสไปหยุดกิเลสโดยไปสร้างอุเบกขาปิดก็เหมือนร่างกายทํางานมากๆมันก็เหนื่อยได้ใครได้ยินเข้าเหนื่อยอกเหนื่อยใจไหมทํางานคิดมากนมันก็เหนื่อยพระาจสอนธรรมะมากบางทีมันก็เหนื่อย เดี๋ยวกลับไปนั่งสที่สมาธิที่กุฏิหยุดคิดสักพักหนึ่งแล้วสบายไไพระอาจารย์ครับสซว่าถ้าเราดูสุภะเนี่ยค่ะดูอ่ถ้าถ้าเราดูสุภะไปเรื่อยเื่เนี่ยเรามีอาการง่วงนอนนี่หมายถึงจิตเหนื่อยแล้วครับพระอาจารย์ไม่หลับไม่มีสติ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันมีถ้ามีปัญญามันไม่เมื่อยมันไม่เหนื่อยมันจะสว่าง <c oughs> มันจะมีพลัง ถ้าเนื่อยก็คิดว่ามันหลับโดนกิเลสนิวรณ์เอามาครอบงำจิตใจสติหมดกําลังาสาธุค่ะท่านอาจารย์คะเอออาก่อนอระดับพระสดาบันรู้ว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมคะยังมีอัตตาในจิตอยู่ยังถือตัวอยู่ถือว่าเราเป็นโสดาบันเราสูงกว่ า, าคนปุตชนอยู่อย่างนี ถ้าเขาถามเรื่องอสุภะที่เมื่อวานนี้มีคนถามแล้ววันนี้ก็มีคนถามเข้ามาทางเฟซอีกนะคะเ อ, อในกรณีไหนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าก็ลองระเบิดมันดูคือถ้าเห็นในสมาธิท่านบอกว่าก็ลองระเบิดมันระเบิดยังไงเคยพูดที่ไหนคำว่าระเบิดเราไม่เคยพูดหมายถึงว่าในในในนิมิตในสมาธิเนี่ยท่าน ท่านบอกว่าลองระเบิดมันดูไม่เคยพูดคบนั้นโยมมันอย่างที่ไหนไม่รู้ไอ้นมาไม่เคยพูดกันระเบิดเพราะเพรเยมเคยลองว่ามันเห็นเห็นในเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาแล้วโยมก็ลองดูว่าไหนลองระเบิดดูซิแล้วมันก็แค่พับนิดเดียวค่ะมันไม่ได้เป็นระเบิดแบบเป็นเสียงเสียงแบบระเบิดยังไงระเบิดมันทำไมระเบิดแล้วได้อะไร คิดว่าจะละการมาฉันทะได้คะ อ, อ่าคิดว่าละด้วยการระเบิดเนี่ยเห็นอ่านประวัติครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ท่านก็บอกว่ามีมีลิมิตเป็นร่างกายขึ้นแล้วก็ลองไปทดสอบดูสิเวลาเกิดการอารมณ์แล้วระเบิดมันดูดูมันจะละมันได้ป่าก็ข่าวนั้นเองไม่ต้องมาถามเราเลยเรื่องของการปฏิบัติก็ต้องพิสูจน์ดูเนาเรามีทฤษฎีทางด้านไหนแล้วก็ต้องเอาไปพิสูจน์ดูว่าทฤษฎีของเรามันใช้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง <c oughs> เป็นรายรา ย, ายไปอ่าเป็นกรณีไปมีอีกไหมอ่าคำมาคคำถามสองคำถามได้เลยคำถามครับ ท, ท่านอาจารย์ครับว่างสว่างในใจนี่คือว่างจากรูปนามคือมองอะไรจิตมันหมุนเป็นของต้องเสื่อมต้องสลายไปหมดใจมันจะโล่งเบาสบายอันนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ถูกต้องถ้าใจปล่อยวางได้ก็ถูกต้องเห็นอะไรว่าต้องเสื่อมก็เลยไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่หวงจะไปก็ไม่เสียใจในีก็ใช้ได้คำถามจากคุณชนิกาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์การฟังเทศมหาชาติได้บุญมากจริงไหมเพราะได้ยินมาว่าให้ฟังให้ฟังให้จบในวันเดียวสิบสามกัน เทศมหาชาติก็ฟังเรื่องชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ไปการเรียนรู้ประวัติการเวียนว่ายตายเกิดของเจ้าของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ว่าท่านเกิดเป็นอะไรมามั่งในแต่ละชาติเป็นพระเตมีเป็นพระมหาชานกเป็นพระเวสสันดร อ, อันนี้ก็เป็นการศึกษาประวัติอันยาวนานของพระพุทธเจ้าท่านเองจะว่าได้บุญมากมันก็ได้บุญในระดับของเรื่องนั้นน่ะแต่บุญที่มันมากกว่านี้มันยังมีอยู่ ทีนีระดับของคนฟังมันฟังไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะได้บุญมากกว่านี้ต้องฟังเรื่องอริย ส, สัจสีฟังเรื่องตายรักเนี่ยฟังเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมันมีหลายระดับบุญของการฟังเทศแต่ละระดับก็มันก็มากของมันในระดับนั้นเพราะงั้จะมาว่ามันมากมันก็มากตามระดับของมันแต่แต่มันจะมากกว่าระดับอื่นไหมไม่หรอก ถ้าฟ like ังธรรมจากได้เข้าใจธรรมจากมันได้บุญมากกว่าถ้าฟังสติปัฏฐานได้นํามาไปปฏิบัติมันยิ่งได้มากกว่าเพะฉะั้นแต่ละเทศแต่ละมันก็เหมือนกับการเรียนหนังสือแต่ระดับชั้นนึงอะเรีนระดับปฐมมันก็ได้ประโยชน์มากระดับมัธยมมันก็ได้มากแต่ได้มากกว่าระดับปฐมเฉะนั้นเทศของพระเจ้าแต่ละเทศแต่ละการนี้มันก็มีระดับความรู้ต่างกันไป เหมาะสมกับความสามารถของผู้ฟังไปแต่ระดับท่านเองถ้าผู้ฟังยังอยู่ในระดับปฐมอยู่ให้ไปฟังระดับมัธยมก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังนิทานไปก่อนพวกที่ชอบนิทานเนี่ยก็ต้องฟังพระเวสสันดรไปก่อนจะได้เชื่อว่าอ๋อมีการเวียนว่ายตายเกิดนะชาติก่อนเกิดเป็นนี่แล้วตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นนี่ต่อเป็นนี่ต่อเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนนิทาน ถ้ายังให้ฟังเรื่องทิษฎีเรื่องอริยสัจสีนี้ไม่รู้เรื่องก็ยังฟังไม่ได้ยั้นเทศมหาชาตินี้ต้องถือว่าเป็นเทศระดับอนุบาลหรือระดับปฐมสำหรับคนที่ยังติดอยู่กับรูปธรรมติดอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆอยู่ยังมาเข้าไม่ถึงตัวอัถฐสาระของธรรมที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เป็นนิทาน อันนี้ต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก่อน ừ. การสอนพระพุทธเจ้าจึงมีสอนเป็นระดับไปไงระดับระดับการเวียนว่ายตายเกิดเป็นนิทานไปก่อนแล้วก็ระดับ ท, ท, ท, ท, ทสาสําบุญทำทานรักษาศีลแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดคือระดับปัญญาเ <ừ. S 1> อาละนะวันวนี้ก็พอสมควรแก่เวลา